สูตรในศาสนประฐานที่เราเรียนมาเนี่ยนะทั้งหมดมีอยู่16สูตรด้วยกัน16สูตรเหล่านั้นเราก็ผ่านไป10สูตรเนี่ยนะอ่านี่ก็เหลือ6สูตร6สูตรที่เหลือเนี่ยจำไม่ยากเนี่ยนะจำเฉพาะคาว่าสังกิเลตกับโวทานสังกิเลตก็คือความเศร้าหมองโวทานก็คือความหมดจดสังกิเลตคือความเศร้าหมองมีอยู่3าประการด้วยกันคือหนึ่ง ตัณหา2ทิฏฐิ3ทุจริตเนี่ยนะก็มี3อย่างโวทางก็คือความหมดจดจากตัณหาหมดจดจากทิฏฐิแล้วก็หมดจดจากทุจริตเอ่อเท่าเข้ากับพระสูตร6สูตรด้วยกันนะนตัณหา2ทิฏฐิ3ทุจริตแล้วก็3แล้วนะหมดจดจากตัณหาหมดจดจากทิฏฐิหมดจดจากทุจริตก็เป็น6สูตร ในเนติปกรณ์หน้า192ย่อหน้าสุดท้ายบรรดาสูตรเหล่านั้นตันหาสังกิเลสะภาคียสูตรพึงแสดงด้วยฝ่ายตันหานั่นเองตันหาสังกิเลสะภาคียะก็คือตันหา3กามตันหาภาวะตันหาและเวพาวตันหาหรือใส่ใจวัตถุใดๆเช่นอุเช้าเป็นต้นก็พึงแสดงด้วยวัตถุนั้นๆ ความพิสดารของตันหาสังกิเลสนั้นก็คือความวิจริตของตันหาที่มีตะข่ายที่เรียกว่าขยายตัวออกเป็น3ามประการประการแสดงตันหา3ตันหา6หรือตันหา36ก็ตามก็คือตัวตันหาในพระสูตรนั้นมีการแสดงทั้งตันหา3ตันหา6ตันหา3ก็คือการมตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาถ้าตันหา6กก็คือ รูปปัตนหาศาสธาตันหาคันธาตันหารัสธาตันหาโพธาตันหาและธรรมตันหาในถ้าเป็นตันหา6คูณตันหาตันหาในอารมณ์6คูณสามตรูปปัตนหาก็แบ่งเป็นกามาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาศาสธาตันหาก็แบ่งออกเป็น3เป็นกามาตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหามันก็กลายเป็นตันหา18 18เหล่านี้ก็แบ่งเป็นภายในกับ ภายนอกก็เป็น36ถ้าคูณอดีตอนาคตปัจจุบันคูณอีก3ก็เป็นตันหาร0 8เนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตันหาในคุตกะวัตถุวิพังคมพีวิพังก็จำแนแกแจกแจงรายละเอียดของตันหาไว้อย่างกว้างขวางแต่ถ้ากล่าวแบบทั่วๆไปท่านก็แสดงแบบย่อๆคือตันหาที่เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆความยินดีใน อารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นก a r m ตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสรุปว่าตัณหาที่เกิดขึ้นพระสูตรใดที่พูดถึงตัณหาพระสูตรนั้นพุทธพจน์เหล่านั้นเรียกว่าตัณหาสังกิเลสภากคียสูตรสูตรพูดถึงส่วนแห่งตัณหาซึ่งในพระไตรปิฎกนี่มีมากคำว่าตัณหาในพระไตรปิฎกนี่มีเยอะพัน้าเราอ่านพบอ่านเจอตรงไหนว่ากล่าวถึงตัณหาอยู่ตรงนั้นแหละเป็น ตัณหาสังกิเลสะภาคีสูตรที่เราว่าเป็นบทเป็นบรรทัดเป็นย่อหน้าไปหรือว่าเป็นเรื่องๆไปสรุปว่ากี่เรื่องใดที่เกี่ยวกับเรื่องตัณหานั่นแหละเป็นตัณหาสังกิเลสะภาคะส่วนทิิิฐสสังเละภายูตรในก็แสดงด้วยฝ่ายทิฏฐินั่นเองทิฏฐินี้ก็แบ่งเป็นย่อยๆก็มีสองอย่างคืออุจเฉททิฏฐิกับสัสตตพิฏฐิ ทีนี้ในสัสตตถิถิเนี่ยก็กระจายออกไปอีกอุเฉทถิถิมีอยู่เจ็ดนะเพราะว่าถ้าพูดถึงทิถิพื้นฐานคือสกายะทิถิ20สกายะทิถิ20แบ่งเป็นสัสตตถิถิ15เป็นอุเฉทถิถิห้าในสัตสัตสัตตตถิอุเฉทถิถิรวมกันมาเรียกว่าสกายะทิถิสกายะสิทธิ เป็นเหตุให้กระจายเรียกว่าสัสตาทิฏฐิและอุเฉ ท, ททิฏฐิก็กระจายไปแล้วจะได้ทิฏฐิหกสิบสองทิฏฐิหกสิบสองย่อลงมาก็เหลือสัสตตทิธฐิกับอุเฉท ท, ทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิมีเจ็ดอย่างสัสตาทิธฐิเจ็ดลบหกสิบสองเหลือเท่าไหร่หกสิบสองเอาออกเจ็ดก็เหลือห้าสิบห้าน สัตตถิทิฐิมีอยู่ห้าสิบห้ากลุ่มสัสตถิทิฏฐินี่เขาแบ่งว่าสัสตถิทิฐิเอกจสะสมตถิทิฐิอมราวิเคปะกลุ่มอะไรกลุ่มอมราวิเคปะทิฐิกลุ่มอิทังสัจจาพิเนเวพวกอะไรนะอธิจสะสมุปัณะทิฐิเขาจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยพวกกลุ่มถือสัตติทิฐิที่ถือสัตตถิทิฐิเพราะอะไรเพราะระลึกชาติได้หรือเพราะเดาเอาพวกที่ถือว่าเอกจสะสสตถิทิฏฐิบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง พอระลึกชาติได้หรือเดาเอาหรือเพราะมีตาทิพย์เป็นตอนเขาจะมีการวิเคราะห์แจกแจงพระสูตรใดที่กล่าวถึงลัทธิทิฐิเหล่านี้พระสูตรเหล่านั้นเรียกว่าทิฐิสังกิเลสะภาคยาสูตรเช่นทีคณิกายสูตรแรกเลยเรียกว่าพรหมชาลสูตรสูตรที่แจกแจงทิฐิทั้ง62สิบสองพรหมชาลสูตรนั้นก็เป็นเป็นสูตรที่ว่าด้วยการกล่าวถึงทิฐิสังกิเลสะภากยะ แต่ก็มีนิเพธภาคยะด้วยเพราะมีการวิธีปฏิบัติเพื่อเพิกถอนทิฐิที่พระองค์แสดงถึงกล่าวถึงเหตุเกิดความดับอาศะอาทีนวนิสารณะของผัสสายตนะทั้ง6เพราะว่าพระธรรมเหล่านี้ก็เป็นพวกนิเพธภาคยะคือในสูตรหนึ่งสูตรในนะสูตรยาวๆใหญ่ๆเช่นทีขณิกายเนี่ยบางสูตรเนี่ยมีเกือบจะทั้งสิสูตรเหล่านี้แต่ว่าจะต้องมาแบ่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆกัน การที่เราฝึกแบ่งได้แยกได้ว่าเออนี้เป็นตัณหาสังกิเลสนี้เป็นทิฏฐิสังกิเลตนี้เป็นทุตเจริศสังกิเลสนี้เป็นความหมดจดถ้าเราแยกได้อย่างนี้การอ่านพระธรรมของเราก็จะทราบซึ่งในอัธรรตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเพิ่มอีกไม่ใช่น้อยสรุปว่าที่ใดแสดงถึงพวกทิฏฐินะพวกทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิสักกายทิฏฐิสัสตตทิฏฐิอุเชททิฏฐิหรือทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิห ทิฐิมิจฉาทิฐิมีวัตถุ10บส ก, กายะทิฐิ20ทิฐิ62หรือบรรดาลทีอ่อื่นๆอีออกในทิฐิสังยุทธ์เนี่ยนะทิฐิสังยุทธ์สังยุตานิกายขันธวรวรกวัคเป็นต้นก็จะกล่าวถึงลัทธิโดยประการต่างๆพวกทิฐิเหล่านี้การแสดงถึงลัทธิเหล่านี้เรียกว่าทิฐิสังกิเลศเนี่ยนะ ส่วนทุจริตสังกิเลศภาขียาสูตรสูตรที่กล่าวถึงความเศร้ามองด้วยอํานาจทุจริตความชั่ว น, นะสูตรพึงแสดงด้วยเจตสิกกรรมอันเป็นเจตนาเจตสิกคือเจตนาเจตสิกเจตนาเป็นตัวกรรมนะเจตนาเหล่านั้นก็แสดงด้วยอะไรด้วยทุจริตสากายญาทุจริตวจีทุจริศมโนทูจริตความพิสดารของทุจริศสังกิเลสเหล่านั้นก็แสดงด้วยอาคุสโสรกรรมบทสิบ คือที่ใดในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงอกุศลกรรมบทส0แสดงว่าพระธรรมกลุ่มนั้นเป็นกล่าวถึงทุจริตสังกิเลสแต่ขณะเดียวกันก็กล่าวความหมดจดด้วยนะเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยมากจะไม่แสดงฝ่ายดำส่วนเดียวจะแสดงฝ่ายขาวด้วยจะแสดง ธรรมะฝ่ายดําและผลของฝ่ายดําด้วยแสดงฝ่ายขาวและผลแห่งฝ่ายขาวด้วยแสดงฝ่ายดําแล้วก็วิธีละฝ่ายดําด้วยวิธีแสดงฝ่ายขาวจะ ก, กล่าวถึงวิธีเพิ่มพูนเป็นต้นอันนั้นก็ลงรายละเอียดไปแต่ที่ใดถ้าพูดแบบตรงๆที่ใดกล่าวตันหาเน้นตันหานั่นเป็นตันหาสังกฤฤิเลสถ้าตรงไหนเน้นทิฏฐิตรงนั้นเป็นทิฏฐิสังกฤฤิเลสตรงไหนเน้นทุจริตก็เป็นทุจริตสังกิเล ส่วนโธทานน ะ, ะตันหาโธทานเนี่ยนะที่สิบสีก็คือเป็นสูตรที่สิบสี่ก็คือตันหาโธทานภาคยาสูตรก็โธทานนี่แปลว่าความหมดจดพระสูตรที่กล่าวถึงส่วนแห่งความหมดจดจากตันหาก็ต้องแสดงด้วยสมถะทั้งหลายเพราะสมถะเป็นเป็นตัวที่สงบตันหาทิฏฐิโธทานภาคยาสูตรเนี่ยนะ พระสูตรที่กล่าวถึงความหมดจดของที่ที่ก็ต้องแสดงด้วยวิปัสนาเพราะวิปัสนาเป็นตัวที่ชําระสะสารความรกชัดเลยนะส่วนทุจริตโวธานภากยาสูตรก็แสดงด้วยสุจริสาอกุศโมูลมีอะอากุศลมูลมีสามอกุศลมูลนั้นเป็นเหตุของอะไรต่อว่าอากุศลมูลสามเนี่ยนะเป็นเหตุความเกิดขึ้นของ วัตตาสงสารในวัตตาสงสารที่เกิดขึ้นอย่างนั้นกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทูจริตกายะทุจริตกายสูจริญวจีทูตจริตวจีสุจริตมโนทูจริตมโนสูตจริตย่อมเกิดขึ้นในวัตตาสงสารนะบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำชั่วบางคนก็พูดดีบางคนก็พูดชั่วบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำชั่วความดีความชั่วนี่แหละเป็นลักษณะ ที่เป็นเครื่องหมายให้แยกได้ว่านี้เป็นพานนี้เป็นบัณฑิตคนพานก็มีลักษณะเครื่องหมายยี่ห้อเรียกว่าภาลนิมิตภาลปาทานนิมิตก็คือเครื่องหมายลักษณะเครื่องหมายยี่ห้อที่ประกาศว่าบุคคลผู้มีการกระทำเช่นนี้มีคําพูดเช่นนี้มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เป็นเป็นอะไรเป็นคนพาน ถ้าตรงกันข้ามคนที่ทำดีอย่างนี้พูดดีอย่างนี้คิดดีอย่างนี้อันนั้นเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นพานและบัณฑิตเนี่ยเขาดูจากจากอะไรก็ดูจากเครื่องหมายเครื่องหมาย เ, าเครื่องหมายลักษณะของพานและบัณฑิตเขาดูที่พฤติกรรมคาพูดและความคิด ถ้าคนผานไม่ทําชั่วทางกายไม่พูดชั่วทางวาจาไม่คิดชั่วทางใจบัณฑิตทั้งหลายเขาไม่รู้รอกว่าคนนี้เป็นผานแต่เนื่องจากว่าเขาทําชั่วทางกายพูดชั่วทางวาจาและคิดชั่วทางใจบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้ได้ว่านี้เป็นคนผานส่วนบัณฑิตทั้งหลายที่เขารู้ว่าผู้ใดเป็นบัณฑิตก็เนื่องจากว่าบัณฑิตเหล่านั้นทาความดีทางกายวาจาและ ใจเนี่ยนะอ้าถ้าทำสลับล่ะก็ดีบันดิตบ้างพานบ้างคละเคล้ากันไปเขาบอกว่าถ้าทำดีส่วนเดียวเขาเรียกว่าทำฝ่ายดำเข้าไปทำฝ่ายขาวถ้าทำชั่วส่วนเดียว เ, เรียกว่าฝ่ายดำถ้าทำสลับคละเค ล, ล้ากันไปก็เป็นทั้งดำทั้งขาวการกล่าวถึงลักษณะของความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจนะความชั่วกายวาจาใจเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องกาหนดว่า เป็นพาลคนพาลนี้เกิดจากการกระทําเกิดจากกรรมอนนะกรรมนี่แหละเป็นตัวกําหนดได้ว่านี้เป็นพาล น, นี้เป็นทุจริตอย่างนี้ไม่ดีการกล่าวถึงความทุจริตทางกายวาจาและใจที่เป็นลักษณะของคนพาลการกล่าวแบบนี้เรียกว่าสังกิเลสะภาคยะสูตรส่วนลักษณะที่เป็นเครื่องหมายกําหนดว่ามหาบุรุษหรือบัณฑิตลักษณะณนะมหาบุรุษก็คือบัณฑิตลักษณะ ย่อมเกิดด้วยผลของกรรมมีกายสุจริตเป็นต้นการแสดงถึงสุจริตกรรมทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตนั้นมีเครื่องหมายมีลักษณะมียี่ห้อว่าถ้าเขาทำเขาจะทำแต่กายสุจริตถ้าจะพูดก็พูดว่าจีสุจริตถ้าจะคิดก็คิดเป็นมโนสุ จ, จิเรตลักษณะเครื่องหมายอย่างนี้บอกได้เลยว่าเป็นบัณฑิตลักษณะการกล่าวถึงบัณฑิตลักษณะเป็นวาสนาเป็นบุญ ถ้าพูดถึงคนพาลเป็นความเศร้าหมองการแสดงลักษณะถึงคนพาลพระสูตรที่กล่าวถึงคนพาลเรียกว่าสังกิเลสะภาคีสูตรสูตรที่กล่าวพูดถึงส่วนแห่งความเศร้าหมองแต่ถ้าพูดถึงลักษณะของบัณฑิตทั้งหลายที่มีการทํากายสุจเรตวจีสุจเรตมโนสุจเรตการที่เอาพระสูตรเหล่านี้มาแสดงก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงส่วนแห่งวาสนาหรือที่เรียกว่าส่วนแห่งบุญ ผู้ใดซ่องเสพข้าหาสมาคมคนพาลคนนั้นก็อยู่ในส่วนแห่งความเศร้าหมองผู้ใดที่ซ่องเสพเกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนที่ทำสุดจริญด้วยกายวาจาและใจก็อยู่ในส่วนแห่งบุญและวาสนาเห็นบอก ว, ว่าเป็นศัตรูกับบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลเหอนั้นทะเลาะกับบัณฑิตนะบัณฑิตเขาจะแก้ไขเราตลอดพระเทวทัศได้ดีก็เพราะเป็นข้าศึกกับพระพุทธเจ้านะ เอาเขาถามว่าอ้าวได้ดียังไงตกนรกเขาบอกว่าและนี้ระยะใกล้แต่ระยะไกลพระเทวทัตจะบรรลุมรรคผลในหน้าที่ที่ไอะไรถวายกระดูคางให้เพราะว่าเอ็กไม่นานท่านก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกกพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นนี่กอดคอกันไปอบ า, ายหมดเนี่ยแต่ว่าดีนะว่ามีศัตรูเป็นศัตรู ก, กับพระพุทธเจ้าได้รับการแก้ไขอย่างที่เมื่อวานเนี่ยนะท่บอกว่าพระสมณโคโดมข้าอะไรจะอยู่เป็นสุขเหมือ ค่าไรายได้จึงจะไม่เศร้าโศกที่จริงก็หาเรื่องด่าพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังตอนหลังก็บวชบรรลุมรรคผลเลยพันธุ์บัณฑิตทั้งหลายาก็มีลักษณะมีมีเครื่องหมายและมียี่ห้อพันธุ์ลักษณะนี้ถือว่าสําคัญมากที่เราจะไว่ดูคนน่ยนะถ้าหากว่าเราแยกบัณฑิตไม่ได้แยกพานไม่ออก อันไหนที่สวดว่าการไม่คบคนผานทั้งหลายการครบแต่บัณฑิตทั้งหลายการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสาข้อนี้เป็นอุดมมงคลนะนะเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุให้ถึงความเจริญมันจะเจริญได้ยังไงไม่รู้แยกไม่ออกเลยใครเป็นผานและเป็นบัณฑิตเขาก็ดูที่ที่การกระทำนะดูที่การกระทําสุจริตทั้งหลายนี่เรียกว่าอีกในหนึ่งว่าศีลดูได้ที่ศีลศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานเพราะคนนี่ยังไงมันก็ปล่อยท่าแท้ตัวเองออกมาใช่ไหม คนชั่วมันก็ปล่อยธาตุแท้แห่งความชั่วออกมาคนดีก็ปล่อยธาตุแท้แห่งความดีออกมาดังนั้นแล้วแต่ที่สำคัญนะต้องคนมีปัญญานะจึงจะแยกออกว่าใครเป็นผานและใครเป็นบัณฑิตบางทีบัณฑิตเขาทํำไม่ชอบใจเราก็บอกว่านั่นผานชัดๆบางทีคนผานทําถูกใจเราบอกโ อ, โ อ, โอ้ดีจังเลยพ่อบัณฑิตอเงี้ยนะอะบางทีก็เอาถูกใจเป็นประมาณถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วบางคนเนี่ถือเอาผานกับบัณฑิตเนี่ยด้วยอะไร ถ้าใครทําขัดใจฉันเป็นพานหมดถ้าใครทําถูกใจฉันเออบัณฑิตเขาเรียกอะไรนะอีกคํานึงก็กาลยานามิตรไอ้ปาปะมิตรคือพวกไหนที่ขัดคอเราตลอดพวกที่อะไรนะไม่เหมือนเราทําไม่เหมือนเราขัดขวางเราอันนั้นปาปะมิตรชัดๆใครที่สนับสนุนส่งเสริมเราเออกาลยานามิตรเขาวัดตรงนั้นหรือไม่ใช่หรอเดี๋ยวข้างหน้าจะมีคํากล่าวถึงลักษณะของกาลยานามิตรเป็นต้นเพราะนั้นคำว่าพานบัณฑิต เขาดูที่ลักษณะดูที่เครื่องหมายไม่ได้ดูที่ว่าทําถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราแต่ที่สำคัญก็คือถ้าบัณฑิตจะทําก็ทําแต่สุตจริตทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสูตรจริตถ้าคนทานจะทําก็ทาแต่กายะทุจริตวจีทุจริและมโนทุจริตอีกนัยะหนึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์เนี่ยนะแต่ตอนนี้ตอนท้ายเกี่ยวกับสูตรเนี่ยนะท่านพยายามจะแยกให้เราเห็นว่า ไอ้สังกิเลสกับวาสนามันต่างกันอย่างไรดูจากอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งวิธีดูสังกิเลสกับดูวาสนาดูจากคนก็ได้ถ้าคนผ่านทั้งหลายที่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจไอ้การพูดถึงสิ่งเหล่านี้แปลว่าสังกิเลสภารยิสูตรแน่นอนถ้าหากกล่าวถึงคนที่ทำความดีด้วยกายวาจาใจอันนั้นก็เป็น วาสนาภาคยาสูตรหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะดูสังกิเลสะภาคยสูตรก็บอกว่าแสดงด้วยภูมิของกิเลสแสดงด้วยภูมิของกิเลสภูมิของกิเลสหรือที่เกิดของกิเลสมีอยู่4อย่างด้วยกันหนึ่งอนุสัยสองปริยุทธานสาสังโยชน์สี่อุปาทานที่เกิดของกิเลสคืออนุสัยปริยุทธานสังโยชน์และอุปาทานเ น, นี่ยนะปริยุทธานย่อมเกิดแก่ผู้มีอนุสัย ผู้ถูกกิเลสรบกวนคือปริยุท ธ, ธานย่อมประกอบด้วยกามราคะสังโยชน์เป็นต้นผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ย่อมยึดมั่นด้วยกามุปาทานเป็นต้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริทเท ว, วะทุกโทมนัสเละอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ก็เนื่องจากว่าอนุัสกิเลสเนี่ยการถึงพูดถึงอนุัสกิเลสท่านบอกว่าอภินาณุสยัสสะปัจยะสมโยเคราคาทยปริยถานวเสนปวัตตันติเนี่ยนะก็คือพูดถึงลักษณะของไออนุสัยหมายถึงกิเลสที่มันได้ปัจจัยมาประชมพร้อมกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงกิเลสที่ยังไม่ได้รับการละนะเพราะว่าตัวที่จะละอนุสัยคืออารยมรักเนี่ยนะ เป็นชื่อของราคะเป็นต้นที่ใดมีอนุสัยที่นั่นมีปริยุทธานที่ใดมีปริยุทธานที่นั่นก็มีอนุสัยนะเพราะว่าในทั้งธรรมสังคีนีทั้งในนิเทศนะการมราคะอนุสัยกามรมาปริยุทธานเป็นต้นก็คือสิ่งเดียวกันพันวิธีที่จะรู้ว่าอนุสัยดูได้จากอะไรก็ดูจากปริยุทธานแปลว่าถูกรบกวน นะอนุสัยคือกิเลสที่ได้ปัจจัยอันสมควรแล้วเกิดขึ้นเป็นชื่อของกิเลสยังไม่ได้รับการละเลยพอได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นทีนี้การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูยังไงก็ดูเพราะมันสังโยชนะมันประกอบเอาไว้ทีนี้รู้ได้ยังไงว่าเรามีสังโยชน์ก็ดูจากความยึดถือสิ ก็ดูจากความยึดถือดูจากอุปาทานที่เรามีอุปาทานก็เพราะมีสังโยชน์ที่มีสังโยชน์ก็เพราะกิเลสมันกลุ่มรวมที่กิเลสยังกลุ่มรวมก็เพราะยังละไม่ได้เนี่ยนะเมื่อยังละกิเลสไม่ได้นี่แหละมันจึงรบกวนกลุ่มรวมเพราะรบกวนนั่นมันก็เลยผูกพันยึดถือพอผูกพันยึดถือเข้าพอยึดถือเรียกวอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะในที่สุดก็เวียนไปหา โสกาปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาวะตวัตทุกก็เป็นอย่างนี้แล้วพันจะ ก, กล่าวถึงที่อนุสัยปริยุทธฐานสังโยชน์หรืออุปาทานก็ตามให้รู้เถอว่าธรรมะเหล่านี้เป็นสังกิเลขธรรมะเหล่านี้เป็นสมุทยสัจจะธรรมะเหล่านี้เป็นปหาตประธรรมเป็นธรรมที่ต้องละโดยส่วนเดียวละยังไงล่ะตอนแรกก่อนเราทาบุญคอยได้ละพวกนี้ก่อน ว่ามันต้องมีใจมันงานนะที่จะละเนี่ยถ้าไม่ทาบุญเพื่อที่จะละมันไม่ให้ละง่ายๆหรอกเนี่ยนะมันอธิบายจนต้องอนุรักษ์นิยมมาเชื่อเหรนะถ้าหากว่าเราไม่เคยตั้งความปรารถนาเพื่อจะละกิเลสเนี่ยนะมันอธิบายจนต้องอยู่ด้วยกิเลสต่อไปก็คือสรุปว่าไม่ต้องละหลอกเหมือนนันอย่างอย่างสมมุติถ้าอย่างโลภะที่มันเกิดเนี่ยนะอธิบายจนต้องขอให้เจริญโลภะต่อไปถ้าโทสะก็เหมือนกันอธิบายจนต้องมีเหตุผลจะต้องมี โสะต่อไปเป็นต้นพวกนี้แหละเป็นลักษณะของตันหอกิเลสทั้งหลายพันเวลาเจริญกุศลเนี่ยขอให้มีปัญญาเห็นโทษของอกุศลให้รู้อกุศลโดยความเป็นอกุศลรู้อกุศลละมูลโดยความเป็นอกุศลละมูลแล้วก็ตั้งความปรารถนาบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อได้ละกิเลสเหล่านี้เถอะให้ดีใจเมื่อได้ละกิเลสนีนะให้มันดีใจเมื่อได้ละกิเลสเนี่ย ก็ต้องตั้งความปรารถนาะตั้งอุปนิสัยตั้งอัธยาศัยเอาไว้ให้ดีคือคนสมัยใหม่เนี่ยนะยังไม่เคยเห็นโทษของกิเลสแต่ว่าอยากละกิเลสนะพอบอกให้ละกิเลสก็มันมีเหตุผลว่าอย่าละมันเลยเนะมันคล้ายๆกับแค่เรื่องเรื่องคําอยู่เรื่องหนึ่งโอยภรรยาเขาโกรธสามีเขามากก็เลยไปปรึกษาที่ปรึกษาเพื่อจะอยากับขาดกับสามีานะโอ้ยไม่ชอบเลยเลวมากจริงๆริงเาไปเล่าให้ที่ปรึกษาฟังว่าสามีเขาเลวมาก เอาเขาเลวขนาดนี้ไม่รู้คุณจะอยู่กับเขาไปทำไมรีบยาเถอะผมเห็นด้วยจะให้คุณยาเขาไม่เลวขนาดนั้นรอกฟังกันเขามีดีตั้งหลายอยา่างหนึ่งสองสามสี่ห้าสะดกไปอยู่เรียกกันต่อไปไม่รู้จะมาปรึกษาทำไมก็ไม่รู้ที่แน่ๆก็มาหาที่ระบายให้ฟังสักหน่อยอะนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะบางทีก็ดูทำท่าจะเบื่อกิเลสถ้าพูดไปพูดมาก็ขออนุรักษ์ต่อไปดีกว่าอย่างนไะั มันก็จะต้องตั้งความปรารถนาตั้งอุปนิสัยพอที่จะออกจากบาปออกจากอกุศลก็ตั้งให้มันดีๆก่อนเลยนะพูดบางทีถ้าเราหมดกิเลสแล้วมันจะดียังไงชีวิตนี้ถ้าไม่มีความเศร้ามั่งจะพาสุขได้หรือว่างั้นนะก็ว่าไปว่ามาแบบทะเลถ้าไม่มีคลื่นจะสวยหรือว่างั้นะชีวิตมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์บ้างละมั่งอ่ะนะก็พูดไปพูดมาก็ขออยู่ตามเดิมนี่แหละว่างั้นเถอะอนุรักษ์ได้ดีมาก เราทบทวนนะว่าพวกสังกิเลสภาคยะดูจากคําพูดถึงอนุสัยปริยุทธฐานสังโยชน์อุปาทานหรือคําพูดที่กล่าวถึงความเป็นไปแห่งชีวิตในวัตตสาเหตุของวัตตาเพราะว่ารากเงาความเป็นไปของวัตตาคืออะไรอกุสโมูลใช่ไหมข้างบนบอกว่าอากุศลมูลนี่แหละเป็นเหตุของความเกิดขึ้นในวัตตสองสาร อานวัตตะสงสารนี่เกิดขึ้นจากอากุศลรมูลเพราะผู้ที่ละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดจริงๆนั่นแหละจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาว่าด้วยหลักการคำสอนแห่งการกําจัดราคะโทสะและโมหะนั่นเองเพราะผู้ที่ละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดย่อมปรินิพานส่วนวัาสนาภาคย์สูตรนี้ก็แสดงด้วยสุตรจริญสาะวิธีสังเกตง่ายๆว่า สังกิเลสภาคิยสูตรนี่แสดงที่ไหนอนุสัยปริยุทธานสังโยอุปาทานอันที่จริงอะ่ะให้เต็มก็ต้องโอฆโยคะคันธะนิวรณสังโยตกิเลสพวกบาปอากุศลทั้งหลายเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมดเลยนะแต่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างสี่ประการคืออนุสัยปริยุทธานสังโยตและอุปาทานถ้าวาสนาดูจากที่ไหน สวดเจริญสามเพราะว่าบุญเนี่ยมันไม่เกินกายวาจาใจหรอกคนที่ไปทําบุญก็คือไปทําความดีทางกายวาจาและใจนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยแปลกนะไม่มีความสุขในการทําความดีเหมือนกันนะไม่มีความสุขในการเจริญกุศลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่เคยตั้งอุปนิสัยมาให้กุศลมันเกิดยาวๆอย่างว่าอ่านธรรมะพรอจิตเป็นกุศลหน่อยหาเรื่องอย่างอื่นทำํำละ หาเรื่องน่นทำบ้างหาเรื่องนี้ทำบ้างคิดโน่คนคิดนี่ไปเรื่อยเนี่ยนะคือบางคนนั้นไม่มีความสุขในการเจริญกุศลก็แปลว่าอัธยาศัยให้กุศลเกิดยาวๆไม่ได้การเจริญกุศลจริงๆมันถ้าทางธรรมะท่าหมายถึงอริยสัพพะ น, นะก็เหมือนกับบางผู้ถึงอริยสัพย์ก็ทําให้นึกถึงพวกขัย์บางคนนี่ได้งานดีๆทํานานไม่ได้ลาออกนะ็ต้องไปหาใหม่ฮะไม่เดือดร้อนอยู่นั่นแหละบางคนก็เหมือนกันนะเจริญกุศลให้มันต่อเนื่องไม่ได้ เหมือนกัว่าบวช ด, ดีไหมดีบวชต่อไปไหมอ่ะไม่เอาไว้ก่อนพระแตรปิดกอ่านดีไหมดีคิดจะอ่านไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละที่ที่เรียกว่าถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งอุปนิสัยไม่ตั้งอัธยาศัยให้ตัวเองจริงๆนะมันไม่เอาหรอกพันก็ต้องตั้งความปรารถนาตั้งอุปนิสัยไว้ก่อนตั้งความปรารถนาเพื่อจะเจริญกายสุจริตตั้งความปรารถนาเพื่อจะเจริญวจีสุจริตตั้งความปรารถนาเพื่อจะเจริญ มโนสุจริตทุจริตนี้ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อจะละนะตั้งอัธยาศัยให้ตัวเองเพื่อละสุจริตก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเจริญต้องตั้งบุญทำบุญทำกุศลแะตั้งอัธยาศัยตั้งความปรารถนาเพราะวิถีชีวิตของคนเนี่ยนะถ้าเราจะมองอีกวิธีนึงอนะ่ะวิถีชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเป็นตามตารางที่เราจัดไว้ก่อนแล้วความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามตารางของความคิดที่มันเคยจัดเอาไว้ทางความคิดไว้แล้วเนี่ย มันอย่างสมมุติถ้าเราไม่ชอบอะไรสักเรื่องนะเดี๋ยวในที่สุดเดี๋ยวเราก็ได้เรื่องอะถ้าเราบอกโอ้ و, เรื่องนี้มันดีนะเดี๋ยวในที่สุดเราก็ชมเรื่องนั้นจนได้ถ้าเราบอกว่ามันไม่ดีเราก็จะตําหนิจนได้เพราะอะไรเพราะมันมีอัธยาศัยแบบนั้นท่านเราต้องตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยไอการตั้งอัธยาศาัยตั้งอุปนิสัยแล้วเจริญตามนั้นอะเรียกว่าภาวนาประทามนะนะภาวนาประทานคือทําให้มันเป็นไปตามนั้นตั้งแล้วเจริญตั้งแล้วเจริญตั้งแล้วเจริญ วันสมัยก่อนเนะี่ยเขาจึงขยันตั้งมากเขาจะเขาบอกว่าบรรลุอรหันต์วันนี้แหละอันนั้นหลักการก็มีอนยะ่างเขาบรรลุเดือนนี้แหละภายในปีนี้ก็ต้องบรรลุให้ได้ภายในเดือนนี้ก็ต้องบรรลุให้ได้ภายในคืนนี้เขาต้องบรรลุให้ได้เขามีการตั้งไว้ก่อนถ้าตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยไว้ก่อนแต่อย่าลืมคนที่กล้าตั้งอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็มีบุญเก่ามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะบุญเก่ามาเป็นอย่างดีมีอัธยาศัยมาดีมากแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะ ความรู้ความเข้าใจของเขาดีมากเนี่ยนะตัวสั ม, มาทิฏฐิของเขาชัดเจนมากเขาเขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเขามีทัศนคติที่ถูกต้องวิจารณญาณเขาไม่ผิดพลาดมีความแม่นยำสูงมากการเจริญปัญญานี่นะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนนักรบนะนักลบอาชีพที่ยิงได้ไกลยิงได้ไวยิงได้แม่นเนี่ยนะหมายว่ายิงไกล ย, ยิงไวแล้วก็ยิงแม่นทําลายฆ่าศึกหมูใหญ่ได้ มันอุปมาว่าปัญญาก็เหมือนกันสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันก็คือตัวสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันเขาว่ายิงไกลคืออะไรยิงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้อันนี้เรายิงไกลพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตายิงได้ไวก็คืออนุปัสนาสามเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ ม, มาคำว่าอาวัชนะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเราก็ยิงไวยิงแม่นก็คือไม่พลาดเพื่อจะทําลายฆ่าศึกือลวิชาในทุกอารมณ์ ปัญญาทั้งหลายก็คือเหมือนกับยิ่งใครเรียกวไรนะยิงเล่นแม่นน่ะในถ้าไม่เคยตั้งแรงศูนย์ไว้แรงเป้าไว้เลยจะแม่นอะไรเนี่ยนะถ้าไม่เคยแรงเป้าไว้เลยว่าจะต้องละอกุศลไม่เคยแรงเป้าไว้ว่าต้องเจริญกุศลไม่ได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ให้ชัดเจนเอาเชื่อเถอะเจริญได้ไม่ยาวและไม่นานเพราะมันเป็นไปตามมัธยาศัยเหมือนอย่างว่าเรามาฟังธรรมเนี่ยถ้าตั้งไว้มากแค่ชั่วโมงเดียวนะเขครบชั่วโมงปั๊บนากาใจมันเตือนแล้ว อะไรชื่อมองเรื่อยไปเถอะเนี่ยนะเป็นต้น ม, ม, ม, มันมันมันตั้งเป้าไว้แล้วใช่มบอกว่าวันนี้จะต้องฟังทั้งวันหรือว่าวันนี้จะต้องฟังเท่านั้นฟังเท่านี้มันมันทุกอย่างมันเป็นไปตามอัธยาศัยที่เราตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิที่จึงมีอุปการะคุณมากเพรา ะ, ะนั้นการตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ก็เป็นการเจริญมโนสุจริตนั่นเองเพราะั้นมโนสุจริตเนี่ยต้องขยันตั้งมากๆเลยยำเบื่อหน่ายในการตั้งตั้งอัตตาให้มันดีๆเนี่ยนะหรือว่าตั้งอัตตาอีกแล เอาอัตตาสำมาปณิทิงไงนะนะตั้งอัตตาตัวนี้แปลว่าจิตนียนะตั้งจิตให้มันดีให้มันถูกเพราะถ้าตั้งจิตไว้ผิดแล้วถ้าตั้งจิตไว้ผิดอะคืออะไรเขาบอกว่ามีโทษยิ่งกว่าโจรโจกเจอโจรโจกถ้าตั้งจิตไว้ถูกมีคุณยิ่งกว่าแม่กว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไมเราไม่ตั้งขยันตั้งจิตให้ดีๆคนที่หวังดีกับเราที่สุดก็คือใครในโลกนี้ก็คือพ่อแม่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยมันดีกว่าพ่อแม่คิดดูกันแล้วกัน แล้วจะเบื่อหน่ายในการตั้งจิตไปทำไมงั้นก็ขยันตั้งจิตตั้งอัตตาสัมมาปณิทิให้ดีๆแต่ ท, ที่ที่ถูกต้องเนี่ยตั้งเพื่อจะละความเศร้าหมองตั้งเพื่อที่จะเจริญบุญวาสนาเนี่ยนะหรือว่าไม่อยากเป็นคนมีบุญมีวาสนาอะไรนะแับศึกษาธรรมะไม่ชัดเจนไอ้คำว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าเป็นทำลายกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้แล้วก็จะอันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะ ของเราเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถึงฝั่งเลยจะทิ้งแต่เรืออย่างเดียวนะอยู่กลางทะเลอยู่เลยปล่อยเรือทิ้งเลยนะลอยถ้าลอยแพมก็ยังชั่วนี่ยปัญหาว่ามันจมตัวลงมุดเลยนะส่วนนิเพธพาคิยะสูตรนี้แสดงด้วยอะไรเอ่ยนิเพธพาคิยะนี่เรารู้ได้จากอะไรก็รู้ได้จากคำสอนที่แสดงอริยสัจแสดงเพื่อการกาหนดรู้ทุกอนิจจังทุกขังอนัตตา การแสดงเพื่อละตันหาเป็นต้นแสดงเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแสดงการอบรมสมถาวิปัสนาอบรมอริยมรรคทั้งหลายพันสูตรที่กล่าวถึงนิเพทภาคยาสูตรกค็คือสูตรที่กล่าวถึงสัจจะทั้งสี่ประการส่วนอาเสคภาคยาสูตรแสดงด้วยธรรมสามอย่างคือพุทธธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้า ปัจเจกผูธธ้ธรรมธรรมของพระปัจเจกผู้ทถาจ้าและสาวกภูมิคุณธรรมของพระอริยสาวกทั้งหลายภาษาริบุลพระโมคขละนะานะนะท่าสังขามาชีเป็นต้นก็ดูสรุปทบทวนว่าสูตรหลักๆมีอยู่4สูตรด้วยกันจำสี่สูตรได้ก็โอเคละหนึ่งสังกิเลสะภาคียะสูตรว่าด้วยส่วนแห่งความเศร้าหมอง2วาสนาภาคียะสูตรว่าด้วยความหมดจดส นิเพทะภาคิยะสูตรว่าด้วยอะไรอริยสัจการชำระ ก, กิเลสเพราะการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละคือการชำระ ก, กิเลสส่วนสุดท้ายเมื่อชำระ ก, กิเลสเสร็จแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธาสาวกทั้งหลายเนี่ยนะพันธะถือเอาสูตรที่เหลือก็มาบวกกันนะจับคู่กันหนึ 2, ่งบวกสองหนึ 4, ่งบวกสามหนึ 3, ่งบวกสหนึ 3, ่งบวกสองบวกสามหนึ่งบวกสาบวกสอย่างเงี้ยนะก็ สามบวก่สี่บวกหาอะไรแถวๆนี้การจับคู่ลักษณะนั้นก็นกจะเป็นสิบหเองผลส่วนรายละเอียดในสูตรอีกยี่สิบดสูตรวิธีคิดอีกสูตรนึงอีกยี่สิบดสูตรนี่ก็ต้องไว้วันเสาร์หน้ากันละ